ผลิตฑลที่ไหนดีผลิตภัณฑ์ที่ไหนเด่นพูดคุยกันเน้นๆจากวี่สหกิจชุมชนส่งตรงถึงคุณในตลาดนัดชุมชนกับนัทพลดีอุดและอาทิตยาปักกทานังพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะวัวฟังคาต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดนัดชุมชนนะคะรายการที่เราจะนําเสนอเรื่องราวนะคะการเจาะลึกวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ในชุมชนต่างๆด้วยตัวแทนของพวกเขาที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปักกทานังรับหน้าที่ในการดาเนินรายการและการพูดคุยของเราในวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ําพริกตำบลทรายมูลอําเภอองครักษ์จังหวัดนคร น, นายกค่ะและก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะกับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คุณสมศรีกรยาเลิศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมศรีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณสมศรีได้แนะนำคุณผู้ฟังกันก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูลของเราเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในกลุ่มค่ะค่ะฉันสมศรีกรยาเลิศนะคะอยู่บ้านเลขที่ 4, 52, สองสี่สี่หมู่สองทรายมูลอาเภอครกักจังหวัดนครนายก ที่ันเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกุ่มนพิกมวลทรายมูนค่ะอะทางกลุ่มของเรามีน้าพริกทั้งหมดมีทั้ง อ, อยอด้วยนะคะมีสามสิบกว่าตัวที่เด่นๆตอนนี้เป็นปลาปานินปลาส้มปานินนะคะเราผลิตขายนะคะแล้วก็น้าพริกเผากุ้งเสียบน้าพริกเผากุ้งนะคะแล้วก็มี ตัวเด่นเด่นมาอีกตอนนี้ก็คือเป็นปานินสามรถนะฮะวันนี้ทางมหาวิทยาลัยจากเชียงใหม่และเชียงใหม่ก็มาเก็บข้อมูลแล้วมาทำปยายเกี่ยวกับเรื่องทำแบรนด์บรรจุภัธุ์ให้ดูสวยงามให้กับเป็นที่ต้องการของตลาดนะฮะวันนี้นะฮะมาเก็บข้อมูลไปแล้วนะฮะค่ะเด่นเด่นเลยแล้วก็เป็นปานิน พิกเกือนะฮะมันนี้เป็นสูตรทั้งเดิมของท่านพ่อเราฮะที่ท่านประภัตที่อํมหลวงกรักษ์แท่านก็ทำไว้ให้ใหกับชาว บ, บ้านเอสมัยก่อนนู้นนะฮะไว้ว่าปลาสามารถจะเป็นรูปทําหลากหลายเช่นที่ท่านได้ยกยกมาให้ดูว่าปานินพิกเกือที่ทํามาจากอัจฉริแล้วก็ปลาช่อนสมัยก่อนนี้ที่องค์กรจะชุกชุมด้วยป่าพวกนี้นะฮะก็เลยมาแปลรูปเป็นปานินพิกเกือก สูตรร่างเดิมของท่านพ่อรอห้าแล้วก็ เ, เป็นผลิตพันธุ์แล้วก็เป็นอาหารพื้นเมืองรักเดิมเลยนะคะของเป๋งครับค่ะแบบนะคะคแล้วของเราก็เป็นไทยเด่นด้วยนะคะของ77จังหวัดของนครนยกเราติดเป็นไทยเด่นหนึ่งตอนีพีเกลือค่ะอันนี้เราก็จะให้ทางสถานนี้สถานีช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยได้ค่ะได้อาหารแบบ ดังเดิมของชาวบ้านภูมิปัญาชาวบ้านนะฮ ะ, ะก็เป็นวิสากิจชุมชนที่เรามาในท้ายว่ามาเปิดเปิดเปิดกันใหม่เลยเปิดตํหรับที่ไหนเลยวะะ่าของเราดีมีดีในชุมชนทำไมเราไม่นาเสนอให้กับเขาทั่วไปอะ่ะแล้วเราก็เอาออกมาแล้วเราก็ขยายขยายไปทั้งสี่อำเภอนะฮ ะ, ะตอนนี้สมผลจ็เป็นพิธีกร อ, อยู่เกี่ยวกับรูป อุองเขคุ้งฮแล้วก็ทางปาปลาส้มนะฮะแล้วก็ปลร้าเจ็ดวันนะครับทำเป็นปันนิเนี้ยอร่อยค่ะปละร้าเจ็ดวันใช่ค่ะที่ทำเป็นปันนินค่ะโอ้เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันนะคะว่าแต่ละตัวคืออะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยค่ะคุณสมศรีกว่าที่เราจะมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีจุดเริ่มต้นมาก่อน นะคะค ใ, <ช>ในตอนเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นวิสาหกิจอย่างเต็มรูปแบบอย่างนี้เนี่ยเรามีอาชีพอื่นทํามาก่อนไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะคะของตัวดิฉันเองก็คือถ้าพูดถึงว่ามีอาชีพอะไรเมื่อก่อนดิฉันเองก็อยู่ทํางานแบบว่าอยู่กับผู้ดีมาก่อนว่างั้นได้อยู่ฐานทูตนะอังกฤษนะก็เป็นต้ น, ต, นต้นห้องต้นเครื่องอะทำอาหารนะคะทำอาหารอยู่กับบริษัทแต่บริษัทไทยเชล์มั่งปตท์มั่งแล้วก็ ของเป็นแบบว่าคนดูแลเรื่องอาหารการกินของชาวต่างชาตินะคะ oh. อาหารของเราแปลรูปได้หลากหลายค่ะทําได้ทุกทุกชาตินะคะก็เลยเราคิดว่าเรามาอยู่ที่นี่ตอนสามีป่วยแล้วก็มาอยู่ที่นี่คือมารักษาแล้วก็ต้องการอากาศดีๆหมอเป็นเกี่ยวกับเรื่องปอดนะฮะปอดก็เลยมาอยู่มาอยู่ที่ไซมูนเนี่ยเพราะว่าก็เป็นคนหนองจอก แต่เราก็มาซื้อที่ทางอยู่ตรงนี้ก็รักพื้นที่ตรงนี้แล้วมองเห็นว่าคนที่นี่เขาเลี้ยงปลาแล้วก็มาแนะนำ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการแปลรูปอะไรอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. มันก็เลยเกิด mm hmm. เกิดขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนรวมตัวกัน mm hmm. ก็อยู่ประมาณสิบสิบกว่าคนตอนนี้มียีิบห้าคนค่ะ mm hmm. แล้วเราก็ขยายขึ้นมาเป็นแปงใหญ่ต mm hmm. าเนนแปลงใหญ่ของทรายมูลอีกค่ะสี mm ่ร้อยไร่ รวมตัวกันนะฮะรวมตัวกัน mm hmm. ถ้าสมาชิกมีปัญหาเรื่องราคาต้นของเตียงตาขายดีเราก็จะรับซื้อถ้าไม่เกินห้าร้อยกิโลเราก็จะรับซื้อแปดลูปเป็นตาเนี่ยคอดเกตตัดหัวแล้วก็แช่น้ำแข็งเอาไว้เพื่อแปรแลปวส่งให้กับลูกค้าขายในตลาดนะ mm hmm. อันนี้ก็คือการช่วยเหลือชุมชนเพื่อเพื่อเพื่อกระชุมชนได้มีรายได้ แต่ทีนี้เนี่ยอย่างอย่างที่คุณสุพีบอกว่าอตอนแรกเนี่ยไปทำงานในเรื่องของการดูแลนะในเรื่องของอาหารให้กับต่างชาติใช่ไหมฮะ<ช>แต่ทีนี้เนี่ย<ช>พลิกผันก็คือต้องต้องมาอยู่ในต่างจังหวัดเพราะว่าสามีเนี่ยป่วยก็เลยเลือกในพื้นที่เข้ามาอยู่ในชุมชนแทนทีนี้เนี่ยพอเราบอกว่าเออเรามาจับในเรื่องของการแบบแปลรูป เป็นหลักตอนแรกเราแปลรูปเป็นหลักใช่ไหมในเรื่องของปลาต่างๆที่มีในในพื้นที่ของทรายมูลที่นครนายกใช่ไหมค ะ, อะตอนนั้นอตอนนั้นทําคนเดียวเหรอคะหรือว่าเรามีแนวร่วมด้วยในการที่จะเริ่มต้นการทําวิสาหกิจตรตงนี้คะต้องมีแนวร่วมค่ะแนวร่วมของผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนนี้เป็นนยายกสายันตันศิล น, นะฮะท่านถ้าได้งบประมาณของพัฒนาชุมชนมาค่ะโดยที่ว่าเอาปลามาให้เลยแล้วเราก็เลียดว่าทำอะไรกับปลาก็ได้ไงล่ะกับปลา เป็นป่าปลาบูดูก่อนเริ่มต้นเลยเป็นปลาบูดูแล้วก็ป่าส้มค่ะปลาบูดูแล้วก็ป่าส้ม <c oughs> ก็เลยพิขันตรงนั้นมาเลยเรื่อยๆค่ะณตอนนั้นเองเนี่ยสูตรหรือว่าเมนูที่เราได้เนี่ยเราเป็นคนคิดคนเองไหมคะหรือว่ามีผู้ที่ให้ความรู้ ค, ะค่ะคิดคนเองเลยค่ะเพราะว่าเราก็ ชอบทานปลาบดูที่ที่หนองจอกที่วัดพืชมงคลอยู่แล้วใช่ไหมที่ที่เขาทำขายอยู่น ะ, ะเรามองดูว่าโอเคเราจะหยิบตรงนั้นมาว่ามาแปลรูปที่หมู่หมู่บ้านเราก็เลยได้ได้เคล็ดลับจากคนที่ขายปลาบดูที่วัดวัดเอ่อพืชมงคลที่หนองจอกอ่าเราเอามาแปลงแปงเป็นปลาบดูแล้วก็ปลาส้มปลาส้มนี้เรามีความถนัดอยู่แล้วก็เลยได้ปลาสูตรปลาบดูมาจากคุณพี่ที่ วัดพืด้นมงคล น, นะฮะแล้วก็ามาขยายต่อเรื่อยๆถึงวันนี้นะคะก็มีการดัดแปลงสูตรบ้างในแบบฉบับของเราใช่ไหมค ะ, คะใ น, ใ น, ในช่วงตอนนั้นค่ ะ, ะอืมค่ะนะิ่ อ๋อไม่ใสนดินมาซิวด้วยแน่นอนเพราะว่า <พ em S 2> ปกติแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าป่าส้มเนี่ย ใ, ในบางเจ้าที่เจอใส่ดินมะสิล ใ, ใ, ใช่ไหมคะจะได้ส้มมีรสส้มนะคะแต่อันนี้คือกระดูกเป็นเร็วค่ะโอ้นะแต่ว่าเรามีวิธีของเราอะนะคะในตอนนั้นเองสิบกว่าคนค่ะเรามีตลาดอะไรคะในช่วงเริ่มต้นเริ่มต้นนี่คือในตลาดเออพอทําเสร็จแล้วปลาปลากระดูกเป็นแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือเราจะไปวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอโอคันค่ะ อ่าประธานเป็นคนยกไปเองเลยแล้วก็ไปขายให้กับนันผู้ใหญ่บ้านไปประชาสัมพันธ์ว่าปลาบูดูนะอร่อยนะแล้วเราก็จะทอดทอดแล้วใส่จานแล้วมีเครื่องเคียงก็เอกไปให้เขาชิมอันนี้นก็ชิมฟรีก็อร่อยไอค่ะชิมฟรีก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตรงประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยค่ะทีนี้เนี่ยพอเราประชาสัมพันธ์สินค้าตรงนั้นแล้วอะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะมันมีการบอกต่อหรือว่ามีลูกค้าจากที่อื่นมาได้ยังไงอะค่ะ คือมีคุณนายของท่านแนมอมเพอรรับซื้อรับซื้อเราเลยนะฮ ะ, ะปลาอปลาปูของเราก็าส้ม อ, อร่อยแล้วท่านก็ซื้อไปที่อะไรนะปัดช่องท่านย้ายไปอยู่ปัดช่องท่านก็ซื้อไปเหมาไปหดเลย<ถ>จนหมดโอ่งเลยแล้วก็ท่านก็เอาไปไปแจกยญาติพี่น้องที่ปาดช่องที่นครราชสีมา ก, ก็อร่อยก็เลยปากต่อปากออืปากต่อปากก็เลยก็ก็ขายได้เรื่อยเรื่อยเืย เ, ยเลยนะคนะ ก็เลยขาได้เรื่อยมานั่นเองแต่มันคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนแรกเริ่มคุณคุณสมศรีบอกว่าเราเริ่มจากการแปรรูปปลามาก่อนแต่ทีนี้เนี่ยทาไมมันถึงมาสู่การทําน้ําพริกที่มี30มสกว่าอย่างล่ะคะใช่เพราะว่าน้ําพริกนี่เราทำเพราะว่าหนึ่งในที่นี่เขาเลี้ยงกุ้งกันเยอะด้วยจากเลี้ยงปลาแล้วก็มามีไปเลี้ยงกุ้งนะฮะเลี้ยงกุ้งกันเยอะทุกทุกทุกเกืบครูเรือนเลยเลี้ยงกุ้ง แล้วมันเป็นน้ํากุ้งฝอยจะเกิดเองโดยธรรมชาติใช่ไหมฮะเรามาโตโ ต, ว, ตวใหญ่แล้วก็มองเห็นคิดว่าเออน่าจะเอามาแปลรูปได้นะก็เลยรับซื้อรับซื้อสมัยก่อนี่รับซื้อแค่โลลสิบบาทกุ้งฝอยเราก็มาล้างทาําความสะอาดแล้วก็ทําเป็นกุ้งกุ้งแห้งกุ้งแห้งแล้วก็เอามาปรูปเป็นน้ําพริกผักกุ้งแล้วก็น้ําพริกผากุ้งเสียบน้ําพริกกุ้งตาแดงน้ําพริกเผากุ้งแมนดาแล้วก็น้ําพริก เออนรกพุ่งนะคะก็เลย ม, มาไปรูปขึ้นอี้าชนิดก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆค่ ะ, ะอืมนะะจากเล็กๆน้อยๆมาสู่สามสิบกว่าชนิดเนี่ยนะคะใช่ค่ะค่ะในการห<ช>าวัตถุดิบของเราล่ะค่ะอย่างเราบอกว่าเราทำสินค้าที่เรามีมูลค่าเนี่ย มีหลายแบบหลายอย่างมากมายซึ่ง like. แน่นอนค่ะองค์ประกอบที่ประกอบขึ้นมาเป็นสินค้าแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องมีการหาเหมือนกันในชุมชนเองเนี่ยเรามีสินค้าที่เพียงพอไหมคะในการนํามาทำของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจอะค่ะเพียงพอค่ะเพียงพอเพราะเฉพาะสมาชิกของเรานี่ยีิบห้าคนนี่ก็บ่อหนึ่งเขาก็มีอยู่ยี่สิบห้าไร่สามสิบไร่มั่งแปลงหนึ่งอะนะแต่ละคนเน่ยสิบไร่บ้างก็จะมีการหมุนกันเพิ่เดี๋ยว สมาชิกคนนี้จะขึ้นแล้วนะต้องทานกี่กิโลปลาอะไรบ้างเราก็จะไปออเดอร์เลยค่ะโอเคเลยมีปลาอะไรบ้างที่ที่เราจะต้องการหนึ่งเป็นหลักคือปลานิ่นปลานิ่นจิตแล้วดาปลานิ่นของพ่อหลวงเราเนี้ยแหละต่อแปลรูปด้านปลานิ่นเพราะเราเป็นแดงใหญ่ปลานมิ่นค่ะค่ะก็มีการเป็นหลักก็คือต้องมีปลานิ่นแหละอย่างหนึ่งใช่ใช่คือปลาอื่นๆเนี่ยอาจจะเราอาจจะแบบเรียกว่า ความต้องการของของลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่เท่าปานนินหรือเปล่าคะในในเรื่องของการสั่สงสินค้าเข้าม า, มาเพราะว่าหนึ่งปันนินนี้ถ้าถ้าทําเรื่องอาหารแล้วก้างเขาไม่ค่อยมีจะมีแค่กระดงหลังนิดหน่อยเอง<ช>มีอยู่หกเจ็อันที่อยู่กระดงหลังนะคะมันมีแค่นั้นเองแล้วก็ตรงช่วงพ้องแค่นั้นเองเพราะเราจะทําเป็นปันนินไร้กล้างค่ะโอ้ปันนินไร้ก้างใช่ค่ะปันนินไร้ก้างใช่ค่ะเราจะทําไร้ก้างเรื่องส่วนปันนินนี่ค่ะ ปลงปลานนี่เหมือนกันแต่วันนี้เราก็จะทําลายก้างนะแล้วก็เราก็จะมีเป็นปลานินปลานินหยองหรือปลานินแป่รูปปลาดิ น, น, นเอ่อคล้ายๆหมูหยองเหรอคะปลาดินหย อ, องเคยทานเคยทานไ้ยคะปาดินหยองไม่เคยเลยค่ะเป็นยังไงะคะะก็คั่วให้แห้งเลยต้มแล้วเอาต้างออกนะคะเ อ, อาตั้งออกแล้วก็คั่วให้แห้งเลยใช้เวลามากสามประมาณสามชั่วโมงนะคะคั่วจนแห้งแล้วก็มาใส่งาคั่วใส่เจียวหอม กรเทียมใส่ละอันนี้คือปรุงรสเค็มนิดหน่อยหวานนิดหน่อยอร่อยค่ะทานแต่เขาปรุงก็สวยโอ้โนะแมพูดแล้วก็อยากชิมเลยทีเดียวนะคะปลานิ่หยองนะคะแล้วก็มีนี่แหละปลานิน่ตอนนี้ที่กําลังมาแรงก็คือปลานิน่งสามรสอันนี้อันนี้เรามีการปรุงรสชาติยังไงบ้างอะฮะอยากให้แนะนำนิดนึงค่ะเราจะไปเพลยเลยนะคะหนึ่งปลาหนิ่นี่เราจะ เราจะแกะออกทั้งหมดเลยเหลือแต่เนื้อปลานิลแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆ ๆ, ๆ, ๆๆใช่ไหมฮะแล้วก็ผึ้กลนิดหน่อยแล้วก็ทอดลงไฟแรงสุดเลยแล้วเสร็จแล้วก็พอสักพักหนึ่งก็หลีไฟลงหลีไฟลงแล้วเราก็จะมากระทุ้งไฟอีกทีสุดท้ายอยู่ให้กรอบเหลืองแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็อันตรเนีฮะกับน้ํามะขามเปียกเที่ยวให้เป็นเหนียวเหนียวแบบเหมือนเหมือนกับน้ํำผึ้งเลยค่ะโอ้เหนียวยังงั้นเลยนะจนเหนียว เสซีมเหมือนกับน้ำพึ่งแล้วเราก็จะเอาปลาคุกค่ะอือคุกให้มันเข้ากันในน้ำขมเปรี้ยวกับน้ำตาลคุกเสร็จแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็พริกทอดพริกพริกเม็ดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะที่เราเม็ดอองแล้วทอดทอดแล้วก็คุงคงไปนะคุกแล้วจ ะ, จะมีงามนิดหน่อยนะฮะหรืออาจจะมีถั่วเม็ดสุริยสงบ้างออืแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ใส่เพราะลูกค้าบางคนแพ้ อบใช่ค่ะอถัว่วใช่ไหมค ะ, ะมันจะใส่ใจอ่ะเรอก็จะออกผ่อนไฟลงให้สดเลยเหลือฟวามร้อนอยู่ประมาณตาักงยี่สิบองศาเนี่ยแล้วก็จะคัคว่ควคั่วให้ให้จนหมาดแห้งเลยอืออ่านะคะอันนี้เรามีมีวันนี้ของอาจา ร, รย์ด็อกเตอร์ชิมแล้วบอกอร่อยมาก ม, มันเป็นอาหารที่วิเศษที่มันไม่มีสารอะไรที่เกือปนเลยเะนะใหญ่มากตัวนี้นะอันนี้มียอๆแล้วนะคะค่ะ เราโยนแล้วตอนนี้อาจารย์กําลังจะทําไม่นี่โลกสติกเกอร์หรือประจุทั้งนีใหม่พราจริงแต่เดิมเราก็มีแพคเกจจิ้งแต่ว่าจะพัฒนาให้มากขึ้นใช่ไหมคะใช่พัฒนาค่ะค่ะค่ะจะให้มันดูดีค่ะจากประนินสามรสนะคะมาสูนี่แหละค่ะประนินพริกเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรของเสด็จพ่อราชการที่ห้านะคะนี้เป็นสูตรยังไงบ้างคะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างเพราะว่าฟังชื่อแล้วเนี่ยพริกเกลือเนี่ยหลายๆคนบอกนึกภาพไม่ออกเลยค่ะจ้า มันก็ไม่มีอะไรขั้นตอนซับซ้อนหรอกแต่มันการที่จะทํานี่มันคือละเอียดอ่อนแล้วต้องเอาใจเราเนี้ใส่ตรงนี้อาหารโดยตรงเลย <ทะ S 2> มันจะได้ออกมาเป็นรสชาติอร่อยแล้วว่าทานไปแล้วบอกใช่เลยนะฮะมันก็อย่างที่อท่านอะไรผ อ, อรของอุตสาหกรรมส่วนกลางเนี่ย <ทะ S 2> บอกพอช <c oughs> ี้คําเดียวบอกใช่เลยเนี่ยมันรสชา ต, <c oughs> ติมันไม่มีอะไรเชื่อพลมันเป็นรสชาดิที่ เสําหรับคนที่เขาชอบอาหารนิ่มๆอ่อนหรือว่าอรสชาติท hmm. ี่ไม่เผ็ดขาดมากแล้วก็ออกเค็มๆ เ, เหรอคะหรือว่ายังไง่ะมัน mm hmm. ไม่เค็มอ่ะไม่เค็มนะคะค mm ือ hmm. สูตรของเขานี้จะตาตัวเลยก็คือหนึ่งมันจะปาต้มอันนี้นี่นะคะต้มแล้วก็แกะเอาก้างออกให้หมดเลยหนังก็ไม่เอานะฮะเสร็จแล้วก็เอามาแส่กระทะค่ะแส่กระทะคัะ่วจนแห้งเลยนะคะ พอขั้วแห้งเสร็จแล้วเราก็จะพักเอาไว้แล้วเราก็ ส, ส่วนผสมก็มีคือหนึ่งซีอิวน้ําตาลทรายน้ําตาลสาซีอิวแค่นั้นเองสองอย่างแค่นี้นเองค่ะแล้วก็จะเอามาผสมกันกับที่เราทําปนินไว้แล้วน้ําตาลสใส่น้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายก็ได้แล้วแต่แล้วมาสู่เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็จริงจมันจะมีถั่วปนนะฮะมะพร้าวคั่ว โอ้แล้วก็พริกนะฮะพริกพริกป่นนี่หน่อยพอให้รู้ว่าเราตัดพริกให้มันเผ็ดนิหน่อยแต่ถ้าไม่ตัดเลยก็ได้เพราะว่าจะทานแบบมันเสียบางคนแพ้สมลักใช่ค่ะมันจะขึ้นสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมนทนไม่ทานอืมใส่พริกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเต็มสูตรเลยค่ะโอ้อันนี้ก็คือเป็นที่ยอมรับแล้วก็กาลัง แบบให้คนเขารู้ว่าโอเคอาหารการกินของสมัยยุคทันพมอนสมัยรัช ก, กาลที่ห้าเนี่ยหลายไม่ใช่มีเฉพาะของสมัยปัจจุบันของเก่าๆดั้งเดิมเนี้ยคือเราจะเป็นคนที่พ้นออกมาเพราะอาจารย์เขาบอกโอเคเคยกินไหมกินเพราะเราเคยทานอยู่เคยทําอยู่คเราก็เอามาฟื้นฟูให้คนรุ่นหลังรู้ว่าอชีวิตสมัยก่อนนี้ภูมิปัญญาสมัยก่อน มันไม่ใช่แค่นี้มันมีอีกหลากหลายเยอะค่ะอืมอันนี้ตรงก็เป็นต้นสูค่ะค่ะคือพูดง่ายว่าแต่ละสูตรที่เรานํามาทําเป็นเมนูขึ้นชื่อของเราเนี่ยมักจะมาจากความชอบที่เราบอกว่าชิมมาแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยเราก็ปรากฏว่ามันมีวัตถุดิบพอดีเราก็ประจบเหมาะก็เลยเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ ค่ะ<ช>แล้วอย่างเมนูนี้<ช>ล่ะคะและแ้วแท่านที่ฟังว่าสักครู่น่าจะแบบว่าโอ้โหพึ่งเลยทีเดียวนะคะปาราเจวัน<ช>ปารา7วันทำไมถึง7วันล่ะคะคุณศศิริมันมีวิธีการในการทํำยังไงมั้งคะมีมีมีวิธีการเนี่ยหนึ่งคือการปลาเนี่ยเราจะทําอะไรก็แล้วแต่สูตรไหนก็แล้วแต่น้ำปลาที่เราขึ้นมาจากบ่อนี้เราจะน็อกต้งต้งแต่ที่ปาก่อในน้ำแข็งเนี่ย<อ>คือปลาของเรานี้จะถูกความเย็นตั้งแต่ ตั้งแต่หขึ้นเลยเราลักขึ้นมาขึ้นเลยค่ะตั้งแต่จนถึงทะเลยความเย็ น, นี่คุณจะต้องให้อยู่สมบพเสมอเพราะเราจะทําให้การที่ว่าทําอาหารแสนอร่อยคือเนื้อปลาเวลาปลามันเอ็กซ์ไซร์มากๆนี่มันจะมีเมือกใช่ไหมฮะมันจะใช่ะใชจะปล่อยเปลือกออกความหวานก็จะไม่อร่อยแล้วนะไม่มีความหวานก็ความอร่อยก็จะไม่มีแล้วจะหายไปก็เพราะเมือกมันออกหมดเพอเมือกออกหมดปั๊บความหวานก็จะไม่มีแล้วเนื้อปลา เปลาให้สังเกตดูถ้าปายเห็นไหมตามันขุ่นตาอะไรเงี้ยคือเบือกไม่มีแล้วรสชาติก็ไม่อร่อยนะฮะแล้วก็เราจะน็อกตั้งแต่นั้นมาแก็คอดเกตขอดเกตแล้วเอากระดูกออกอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะตีน้ําเกลือตีน้ำเกลือเลยว่าน้าเกลือเนี่ยเราจะทําให้พอดีมากเกินไปแล้วเราจะหมักเอาไว้ในถังน้ําเกลือที่มีน้ําแข็งอยู่ห้าชั่วโมงโ<ฮ>ใอ้ปลาติดวันนี้นะฮ ะ, ท, ะทำเสร็จ ห้าชั่วโมงคุณดองไว้เลยดองน้ําเกลือไว้ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงขึ้นมาผึ่งให้แห้งเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาเอากล้วกคุกวเขาเขาคั่ใส่ถุงแล้ตั้งไว้เลยเจ็ดวันเจ็ด <7 S 2> วันพอดี <c oughs> เนื้อมันจะไม่ยุย่ยเนื้อมันจะไม่เละมันจะมันมันมั น, ม, นมันพอดีเขาอะนั่นแหละคนก็เอามาทอดก็ได้หรือจะเอ า, อาก็เรียกหมกใบตอง Oh, ย่อร่อยอร่อยเลยนะคะไาย่างหอมค่ะหั่นหอมหันหอ ม, หหอมบีบมะนาวพริกขี้หนู <c oughs> ข้าสุด <c oughs> ยอดค่ะนะ <c oughs> ออตอนนี้เราก็มีลูกสิษย์เยอะเหมอือนกันนะทางโคแทส <c oughs> ทางโพแทนลาร้านเหล่านี้เขาทําพอเนี่ยก็ตามขายลูกสิทธิ์เราทําวันล้ว20โลตอนนี้เพิ่มเป็น10 80โลแล้วไ <c oughs> ปขายปลาดที่ขันแดงสลับรีอะไรุ่งนี้บ้านพีกเนะี่ยพวกเขาโทรมาบอกคเขาตกฟาร์มสําเร็จ เขาดีใจมากมเขาบอืเเหมือนก็ต่อชีวิตเองเขามี ม, มีวิชาอันนี้ก็เราก็ภูมิใจนะเรา<ฆ>ยังมีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์เยอะเลยค่ะ อ, อันนี้ตลาดเส็จวันนี้<ฆ>เป็นอะไรที่ท้าทายเป็นอะไรที่ได้เงินเป็นอะไรที่แบบทําได้ง่าย<ฆ>แต่ราคาปลามันจะต้นทุนมันก็ไม่นิ่งนะฮะสูงไหมคะเดี๋ยวนี้อันนี้แม่ราคามันอยู่ที่ถ้าปลาใหญ่หน่อยก็อยู่ประมาณสี่สิบ ปลากิโลนะค่ะกิโลคือปลอันนี้ก็คือเราขายอยู่กิโลละปลาละเจดวันนี้เราขายอยู่ร้อยหนึ่งละร้อยค่ะไว้ก็ไม่แพงนะคะเราจะมาคอร์สเกตเอาเนื้อปลาออกจากกระดูกแล้วจะมาแปรรูปให้คนทานได้เนี่ยมันจะใช้เวลาร้อยหนึ่งไม่แพงนะคะสาหรับสมัยนี้อ่ะใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องบอกว่า เชื่อแหละว่าอุปสรรคหนึ่งของกลุ่มเองเนี่ยก็คือเรื่องของความผันผวนของราคาของส่วนประกอบต่างๆอย่างปลาเองเนี่ยนะคะราคามันก็จะไม่เท่ากันในแต่ละฤดูกาลมีวิธีการแก้ไขยังไงคะคุณสมศรีอย่างเช่นเราเคยบอกลูกค้าว่าเราขายราคานี้แต่ปรากฏว่าในช่วงฤดูกาดนี้เนี่ยปลามันแพงขึ้นเราแก้ไข ย, ยังไงค่ะตรงเนี้คะ่ะคือแก้ไขไปเฉพาะหน้าคือหนึ่ง ค, คือเราไม่ได้ค้างสต็อกมากของนะค ะ, คะแต่เราจะทําคือไปขายสลาด นนที่จังหวัดแล้วก็ตลาดอมเภอองคารักของึพวกนี้ถ้าราคามันสูงเกินคนจะควักเงินออกมาซื้อเรามันก็แสนละบาก <c oughs> เราก็เลยเป็นการที่บอกว่าลูกค้าตอนนี้มันมันเป็นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนี้แล้วการทำก็มันยุ่งยากขึ้นแล้วเราก็จะมาผลิตนะฮะตอนนช่วงันของมันแพงเกินเราจะไม่ผลิตเราจะไม่ผิดเราขอหยุดก่อนเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราเกิดลผลิตไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มไม่คุ้มทุนที่เราลงไปลงไปเงี้ยหมื่นหนึ่งเงี้ยบางทีมันไม่ได้เงินกลับมาเลไอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเสี่ยงธุรกิจตอนนี้แล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะใช่ค่ะไปด้าลงกับสินค้าอื่นไปแล้วของพวกนี้ถ้ามันเป็นค่เป็นไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาพิกแพงอีกนะคะคือปลาล้านี่เราถ้ามัน แล้วเกินแล้วเราก็เอามายียีแล้วใส่พริกป่นให้เป็ดเป็นน้ําพริกเปลาลา็นเ ร, ริกมาระจะแปลงจะแปลงไปได้อีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะทําเป็นแห้งๆกับเป็นแห้งๆแล้วก็ป่นเหมือนกับพริกป่นแห้งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ไปแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวตัดน้ําตาลนิดหน่อ ย, อยแล้วแล้วก็ปผงรสใส่ก็โอเคมันก็เป็นการที่ว่าไม่ไม่ทิ้งเสียเปล่านะคะ อันนี้เป็นการต่อยอดเราต้องปรับเปลี่ยนราหาวิธีอ่าตอนช่วงนี้ปลาปลาราคาสูงเราก็จะจับน้อยลงหน่อยจะไม่ผลิตเยอะจะไม่ให้ของเหลือติดมือ อ, มอันนี้อันนี้เป็นวิธีการแก้ไขนะฮะค่ะก็ จริงๆแล้วเมนูพวกนี้ก็จะต้องขายสดอยู่แล้วนะคะ ถ, ถึงจะได้รสชาติของความอร่อยใช่ไหมค ะ, ใ, คะในเรื่องของสมาชิกกลุ่มอย่างคุณอ่สมสุรี บ, บอกว่าปัจจุบันนี้เรามีอยู่ประมาณ25คนเองเนี่ยมีการลงขันอะไรร่วมกันไหมคะ<ช>อย่างเช่นการลงทุนหรือว่าการแบ่งสันปันส่วนยังไงบ้างอะคะออ่ะอ๋อมีมีมีคือ อ, อสมัครสมาชิกก็คือมีเงินทุนอยู่คนละหนึ่งร้อยบาทนะ ะ, ค, ะคนละหนึ่งร้อยบาท แล้วก็ถ้าเป็นปันผลเราไม่มีให้อันนี้ปันผลเราไม่มีให้แต่เราให้คุณมาทําเวลามีปลามีออดปลามีการยิ้ดเราจ่ายเป็นค่าแรงคุณไปเลยอโออ่าค่าแรงสองร้อยห้าสิบไปเลยคือก็ตัดตัดไปเลยคุณไม่ต้องมาปันผลอันนี้เราคุยกันนะฮะแต่ถ้าสมาชิกเก็บสวยอะไรอย่างนี้หรือว่าเข้าโรงพยาบเราจะมีเงินช่วยเยี่ยมเยี่ยมครั้งละห้าร้อยบาท หรือว่าเสียสมาชิกเสียชีวิตเราก็จะช่วยสองพันบาทอันนี้คือเราจะมีการสามเดือนทุกสามเดือนบางทีก็เร่งด่วนหน่เดือนหนึ่งก็มาประชุมคุยกันค่ะอืออันนี้ ว, ว่าเราจะก้าวไปอย่างไรนะฮะแล้วมีหน่วยงานไหนจะมาช่วยเราเราก็จะช่วยช่วยกันกจายข่าวแล้วก็เรียกสมาชิกมาว่าคุยกันว่าหน่วยนี้จะมาช่วยเราอย่างนี้นะหน่วยนี้จะมาช่วยอย่างนี้นะค่ะ แลก็จะเอาเงินมาให้นะอย่างเงี้ยมีดอกร้อยละบางต่อปีท่อสอทางภาครัฐเขาจะช่วยอย่างงี้ยเอาไหมไม่เอาก็เราก็ไม่เอาอนะคือทุกอย่าง<ส>ทุกคน<ส>ต้องคุยกัน<ส>ใช่ไหมคะค่ะต้องคุยต้องคุยค่ ะ, คะเพราะว่ามาเราเราไม่ไม่ไม่คิดคนเดียวต้องถามสมสาชิกไม่เอาก็คือจบถ้าเอาก็คือเราต้องมาปรับปุงปรับปรุงอ่าพื้นฐานของชุมโของกลุ่มเราอ่ะค่ะอ่ะ นะคะปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่คุณสมสุริแนะนํามาทุกอย่างมีแพ็กเกจจิ้งหมดและสามารถที่จะส่งไปที่พื้นที่อื่นได้ด้วยต่างจังหวัดได้ด้วยหมดเลยใช่ไหมคะได้ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วมีตัวไหนบ้างที่ตอนนี้เรามีเรื่องของมาตรฐานด้านอยอยหรือว่าไปเรื่องของมาตรฐานมีโอท็อบ้างไหมคะในในสินค้าทั้งหมดที่ที่มี <th> ค่ะ เมี่ยงคําของเราก็สุดยอดเลยนะนครนายกใครก็ชวมว่าอร่อยเมี่ยงคำเมี่ยงคําดินเมี่ยงคำกุ้งก้งแห้งปลานินนะคะโอ้ยปลาดินเนี่ยค่ะคือเมี่ยงคํานี่เป็นสี่ดาวของอุทกคัดสรรนะคะปีเก้าเอ้ยห้าห้าเก้าปีห <5, 9, S 1> ้าเก้าสองห้าเก้าหาก้าคใช่ค่ะแล้วก็มาคัดสรรปีนี้ยังดาวอยู่ไม่ออกอ่ะทีนี้มันสี่ดาวแล้วเราก็ยังไม่อยากจะ อไม่อยากคัดสรรหรอกแต่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยากจะหยิบขึ้นมาว่าโอเคให้แต่เราก็จะตกอยู่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้มันอะไรอไรมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปนสภาพเราก็จะเอาตัวใหม่ขึ้นคัดสรร mm hmm. ในชั้นบรรจุภัณฑ์เราก็ยังไม่พร้อมแล้วก็เลยเอาของเก่าคัดสรรไปก่อนก็คือมีเอน้ำผึ้งเผากุ้งแล้วก็เมี่ยงคําอ mm ือ hmm. แล้วก็ปลาร้าสับทรงเครื่องหลายอย่าง อันนี้คือตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ดาวทั้งหมดเลยใช่มั้ยคะ 4, oh. 4ดาวอ้สี่ดาวมีเนื่ยต้องเป็นปืนที่ปรับปพุงสีดาวปรับปรุงเครื่องนี้ <c oughs> ค, ค, คือป่วยด้วยไม่ไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยเอาไปแบบเอาไปแบบไม่ให้มันตะเกียดอะแบบต้องการำปือเราเข้าไปเยอะๆคือจริงๆแล้วต้องบอกว่า <c oughs> ทางทางวิสาหกิจเองเนี่ยอยากจะมีตัวใหม่ที่จะขึ้นมาผลักดันดาวใช่ไหมคะใ น, ในในการที่จะเพิ่มเปิดตัวใหม่ๆออกมาเพื่อจอบตับจดตลาดในนี้เนี่ยทางทางจังหวัดเองก็บอกว่า <ๆ S 1> ในเมื่อสีดาวแล้วเนี่ยทําไมปีนี้ไม่ลองห้าดาวล่ะอะไรย่างนี้อืมก็ก็ลองดูแล้วว่าเอาเมี่ยงคําประชันอีกเมี่ยงคําแล้วก็แล้พี่ปั๊บกุ้งเราก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเรี่บัญชีที่เราไม่ได้ห้าตอนนี้เพราะว่าเราบัญชีเราไม่ไม่ ยังอยู่ในงผงการวางระบบนะใช่ไหมคะแล้วตัว น, นี้เองล่ะคะนะเรามีความร่วมมือกับหน่วยงานอะไรบ้างที่จะเข้ามาพัฒนาเราเพิ่มเติมอะคะตอนนี้ก็มีอยู่หน่วยงานพัฒนาชุมชนนะ ท, ที่ที่ผักดันเราอยู่ตอนนี้อุตสากหรกรรมหลักเลยนะฮะแล้วก็กเกษตรเกษตรอําเภอเกษต ร, รจังหวัดน ะ, ะพัฒนาชุมชนจังหวัดแลนะพัฒนาชุมช น, ชนอําเภอแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัด แล้วก็อุตสาหกรรมภาผ้าผ้าผ้าเลยที่เป็นตัวดันเรา77จังหวัดเราเป็นไทยเด่นตอนนี้นะคะนี่ฮะซอปาลานินสามรถนี่แหละเราเป็นไทยเด่นของจังหวัดเป็นสินค้าไทยเด่นของจังหวัดนครนายกาด้วยนะตอนนี้นะคะใช่ค่ะค่ะ ในเรื่องของอุปสรรคเองนะคะคุณสมศิริเวลาเราเจออุปสรรคเนี่ยเรามีคติหรือว่าเรามีเรื่องอะไรที่เราแบบว่าบอกตัวเองไหมคะในการแก้ปัญหาต่างๆว่าจะต้องทํำยังไงหรือว่ามีความสร้างความมั่นใจตัวเองได้ยังไงอะคะ่ะคือเราคิดสติของเราอยู่ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมารู้จำความได้คนเราท้อได้แส่ไม่ถอยล้มได้ก็ต้องสู้ต่อ ถ้าเราไม่ไม่ล้มแล้วเราไม่สู้ต่อธุรกิจเรามันก็ลุ่มคนข้างเราก็ไปไม่ได้ในอีกอย่างชุมชนก็ไม่เข้มแข็งเราต้องบอกว่าล้มก็ลุกลุกแล้วก็สู้ต่ออันนี้คือสติของเราน ะ, ะตาตายังมีลมหายใจก็จะสู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าเราเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วอ่าสมเด็จก็เป็นประตีนปีเด่นของจังหวัดพอนยกปีสี่ปีหกค่ะ ปี 46, สี่หกปีที่เลยได้ไปรับลูกพระเทศมา่ะเข้าเฝ้ามาทับลุ้มาแล้วเขาเเลยคติของเราก็คือล้มลุกสู้ต่ อ, อท้อได้ได้ถอยตอมีลมหายใจต้องสู้ค่ะอันนี้คือเกเตกของเรานะคะทุกวันนี้ นะคะยังคงสู้ต่อไปท้ายนี้ค่ะคุณสมศรีอยากให้แนะนําช่องทางในการที่คผู้ฟังฟังอยู่แล้วอยากจะสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ของเราอยากลองชิมเหลือเกินนะปลาเ น, นรสามรสเป็นยังไงประนินพริกเกลือเป็นยังไงแล้วก็เมี่ยงคําประนินะคะสี่ดาวรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของไทยเด่นเองรสชาติยังไงติดตามด้วยทางช่องทางไหนบ้างคะก็คือเฟสของของของเรามีเพจนะคะค่ะสมรี แค่พิมพ์ว่าสนสมสิริก็เข้ามาดูได้นะคะสนใจสินค้าตัวไหนก็เลือกแล้วก็เลือกแล้วก็คลิกอินบ็อกได้เลยนะคะสอบถามอินบล็อกได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะสมสิริเซิร์ชได้เลยนะคะก็จะขึ้นชื่อมาแน่นอนแล้วก็เข้ามาดูกันว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างค่ะต้องการตัวไหนอะไรนี้คลิกมาเลย หรือบางทีสงสัยว่าเอ๊พี่คะรสชาติผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยากนําเสนอตัวไหนเอาสอบถามกันได้เลยนะคะแน่นอนว่าทางกลุ่มพร้อมที่จะตอบคําถามนะคะค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสมศรีกาลยาเลิศค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตําบลทรายมูลอำเภอองครักษจังหวัดนครนายกนะคะที่ให้เกียรติในการพูดคุยแล้วก็แนะนําวิสาหกิจชุมชนของคุณในรายการตลาดนัชุมชนของเราค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณสมศรีคะค่ะ ดียินดีค่ะยินดีด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังคะใครสนใจนะคะผลิตภัณฑ์มีมากมายแล้วก็ที่ฟังอยู่บางอย่างอยากลองชิมเหลือเกินอย่างน้าปลาหนินพริกเกลือนะคะซึ่งเป็นสูตรราชการชี5นะคะก็สามารถสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook นะคะสมสรินนั่นเองนะเสิร์ชเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะกับรายการตลาดนัดชุมชนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี ร่วมส่งเสริมและพัฒนากิจาการวิสาหกิจชุมชนหลักดันโนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ 4.0